เมื่อประมาณสักปีก่อนอาตมาเคยไปเดินจาริกที่ญี่ปุ่นก็ไม่ เ, เชิงทุดงนะแต่ว่ามีการเดินเป็นคณะมีพระก็สองสามรูปมีคนไทยบ้างคนญี่ปุ่นบ้างไม่ได้ไปจาริกตามป่าเขานะแต่ว่าเดินผาเข้าไปในเมืองไปพักแรมตามเมืองต่างจุดหมายก็คือเพื่อจะไปเยี่ยมเยือน คนไทยนะซึ่งเวลานั้นเนี่ยไปทำงานที่เปิดกันเยอะมากหลายหมื่นคนแ้วคนเหล่านี้ก็มีปัญหามีความทุกข์มีความกัดกรุ้มบางทีก็ติดกับการเที่ยวการเล่นนะอบายมุกนะมีเงินมากมายแต่ก็หาความสุขไม่ได้ก็ใช้เวลาประมาณหกเจ็ดวันจุดหมายปลายทางก็คือเมืองนา ก, กาโนะนะ ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกำลังมีการก่อสร้างกันเยอะแยะคนไทยก็เลยมากก็มีนังสือพิมพ์โทรทัศนะ์เาก็ไปทำข่าวระหวที่เดินนะก็มีคนญี่ปุ่นบางทีก็แม่บา ง, บางทีก็ลูกบา้างเห็นเรากลางทางก็หาของมาใสยบาทขนมปังบ้างบา ง, บางทีก็เป็นเงิน ก็ทราว่าเขาพอรู้ธรรมเนียมเรื่องการบิธทบาทแต่พระญี่ปุ่นนี่บินทบาตปีละครั้งเเหมือนพระไทยมีช่วงหนึ่งตอนที่ใกล้ถึงเมืองนากโน่เนี่ยตอนนั้นก็มีรถคันหนึ่งดั น, นสวนมาทางเราแล้วก็จู่จูก็มีเด็กคนหนึ่งลดหน้าต่างลงแล้วก็ยื่นหัวมาตะโกน ทีแรกก็นึกว่าเขาคงจะตะโกนว่าพวกเราเพราะว่ามันก็มีคนที่ไม่เข้าใจธรรมเนียมนี่หรืออาจจะไม่ชอบคนไทยตอนที่ไปอยู่วัตทรมเราดีเคยไปลอนดอนแล้วก็มีวัยรุ่นเนี่ยขับรถแล้วก็ตะโกนด่าอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ปกติสำหรับ พระไทยนะที่ไปต่างประเทศก็คิดว่าเด็กญี่ปุ่นคนนี้คงจะตะโกนว่ารมแต่ไม่ใช่เลยนะถ้าเขาตะโกนมาเสียงดังเลยนะแค่คำคำเดียวคำบัตเตกคำบัตเตกคำบัตเตนี่ถ้าแปลแบบง่ายๆแบบว่าสู้ๆนะก็คือให้พยายามต่อไปนะอย่าท้อถอยนะ ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เลยรู้ว่าคําอวยพรนะที่ติดปากคนญี่ปุ่นก็คือคําว่ากรรมบัตเตอัเด็กคนนี้กำลังอวยพรเราให้เราพยายามสู้ต่อไปทําต่อไปมันนึกดูก็แตกต่างจากคําอวยพรคนไทยนะคนไทยนะถ้าเขาจะอวยพรสั้นๆเ น, นี่ยคําำเดียวเขาจะอวยพรว่าอะไรขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีนะหรือโชคดีสั้นๆในยะ หรือความหมายมันแตกต่างกันมากเลยนะสู้ๆนะหรือว่าขอให้เพียง น, นะต่อไปเนี่ยมันเป็นการให้พรนะที่มุ่งให้เราเนี่ยไม่ล้มเลิกไม่ท้อถอยเป็นการเป็นคําอวยพรที่ถือถือว่านะตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ว่าคําอวยพรวโชคดีเนี่ยนะ มันเป็นการไปพึ่งพิงโชคชะตานะรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคนไทยเราพึ่งโชคคำอวยพรยก็เลยออกมาแบบนี้แต่ว่าคนญี่ปุ่นเนก็พึ่งความเพียรนะก็พึ่งความเพียรแล้วก็เชื่อว่านะความเพียรเนี่ยย่อมเอาชนะอุปนะสรรคทั้งปวงและทำให้มันรู้ถึง จุดมุ่งหมายที่ปรารถนาก็เป็นแล้วคําอวยพอรอย่างเงี้ยกคำบัตเตเนี่ยมันเป็นคําอวยพรที่สอดคล้องกับคติทางพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เน้นเรื่องความเพียรมากบางทีก็มีชื่อหนึ่งว่าวิริยะวาสวิริยะวาสแปลว่าคําสอนที่เน้นเรื่องความเพียร พุทธภาษีที่เราคุ้นเคยกันดีคือว่ามนุษย์ร่วงทุกได้เพราะความเพียรเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่นับถือพุทธศาสนาจต่คาอวยพรนี่นมันไกลาจากพุทธศาสนาทีเดียวเป็นคําอวยพรที่ส่อถึงความคิดที่พึ่งพิงโชคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าที่จะพึ่งความเพียรของตัวเอง้คนญี่ปุ่น แ, นแม้ว่าจะ กลเพื่อศาสนาไปมากแล้วนะแต่ว่าอคําอวยพรของเขาเนี่ยนะมันก็ตรงเลยแล้วก็ใกล้กพุทธศาสนามากเวลาพ่อแม่จะอวยพรลูกนะไปจะไปสอบก็หรือว่าจะไปเรียนหนังสือก็บอกว่ากํากรรบัตเตเวลาอาจารย์เจอศิษย์นะแม่จะไม่เจอกันนานนะหลังจากที่พูดจากันยืดยาวจะ จะวางสายหรือว่าจะเลิกกันก็เพราะว่าคบัตเตะเตือนใจให้ลูกศิษย์นะมีความเพียรไม่ล้มเลิกอันนี้เป็นเป็นคำอวยพรที่เหมาะกับธรรมญาตามากเลยนะเพราะว่ามันเป็นการกระ ท, ทําที่อาศัยน้ำพักน้ำแรงหรือพึ่งความเพียรของเราโดยตรงตถ้าเรานั่งรถเนี่ยนะ เราก็ต้องพึ่งพารถแต่ว่านี่เราเดินนะด้วยเท้าของเราฉะั้นความเพียรเป็นสิ่งสำคัญมากและอย่างเมื่อวานนี้นะหลายคนก็พบว่านะพอเรามีความเพียรพอเราไม่ยอมล้มเลิกนะแม้ว่าร่างกายจะเหนื่อยแม้ขาจะปวดนะแต่ว่าความเพียร น, นั่นแหละนะทำให้เราถึงจุดหมายไปพร้อมๆกัน าความเพียงนี่มันก็ต้องอาศัยตัวช่วยด้วยนะเช่นกำลังใจจากวิสหายหรือแบบอย่างจากครูบาอาจารย์รวมทั้งมิตรที่ร่วมทางไปด้วยกันอย่างที่อาตมาได้ยกภาษิตของคนแอฟริกันว่าเนี่ยถ้าอยากเดินเร็วถ้าอยากถึงเร็วก็ให้ไปคนเดียวถ้าอยากเดินเร็วก็ให้ไปคนเดียว ถ้าหากว่าอยากจะเดินไกลนะต้องเดินไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นกำลังใจแต่นอกจากมิสหายที่ร่วมเดินแล้วนะนอกจากความตั้งใจความอุหะของเราแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีก็คือว่าการรู้จักวางใจและบางครั้งการวางใจที่จำเป็นนะ ก็คือการปล่อยวางหลายคนก็สงสัยไว้ความเพียรกับการปล่อยวางมันจะไปด้วยกันได้อย่างไรมันไปด้วยกันได้ดีเลยแต่ที่เรามองเห็นว่ามันขัดกันก็เพราะว่าการปล่อยวางที่เราเข้าใจคือการปล่อยปากละเลยซึ่งกหมายถึงการนิ่งเฉยการไม่ทำอะไรปล่อยวางนี่เป็นเรื่องการทำจิตนะส่วนความเพียรความพยายามเป็นเรื่องการทา เราต้องขยันทำกิจนะแต่ว่าเจตเราก็ต้องวางให้ถูกนะรู้จักปล่อยวางด้วยปล่อยวางในที่นี้นะหมายถึงการปล่อยวางจุดหมายปลายทางปล่อยวางนะความอยากที่จะให้มันสำเร็จนะถ้าเราทำแล้วก็ตามใจเราไปจดจ่ออยู่แต่ความสำเร็จอยู่นั่นแหละหรือไปจดจ่ออยู่ที่จุดหมายปลายทางอยู่นั่นแหละนะ เราจะท้อได้ง่ายเพราะว่ามันไม่ถึงสักทีมันยังไม่สําเร็จสักทีแล้วมันก็จะมีเสียงบ่นว่าเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จไอคำบ่นเนี่ยอย่างนี้แหละที่มันทําให้เราเป็นทุกข์ท้อแท้และในสุดก็อาจจะเลิกได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจความมุ่งมั่น และความเพียรอย่างเดียวนะมันยังไม่พอที่จะทำให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยเฉพาะถ้าหากว่าจุดหมายอยู่ไกลหรือปลายทางเป็นสิ่งที่ยากลำบากถ้าวังจะไม่เป็นนะเดินไปเดินไปก็ทุกยิ่งเดินก็ยิ่งทุกนะยิ่งเดินก็ยิ่งเครียดทำกิจแต่ไม่ทำจิตนะมันก็จะทำได้ไม่นานเมื่อจอุปสรรคนะ เมื่อจุดหมายมันอยู่ไกลต้องรู้จักนะทำจิตด้วยก็คือการปล่อยวางอนาคตหรือจุดหมายปลายทางให้ใจมันอยู่กับปัจจุบันนะจุดหมายอยู่ไกลนะแต่ว่าใจอยู่กับปัจจุบันสองสันก่อนก็เคยเล่านะถึงนักปีนเขาคนหนึ่งซึ่งเขาสามารถจะพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุด ในทุกชีวิตมาแล้วรวมทั้งเอเวอเรสต์เขาบอกว่าเนี่ยทุกอย่างมักดูน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลเมื่อเขยอยู่ตีนเขามองไปที่ยอดเขาโอ้มันยากมันลําบากเหลือเกินบางทีแค่เห็นจุดหมายปลายทางก็ท้อแล้วเพราะมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆแถมยังอันตรายวิบากลําบากแต่ก็เพราะว่าวิธีการปีนเขาที่ดีที่สุด เป็นเคล็ดลับของเขาคือว่าสนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวเดินไปทีละก้าวนะถ้าเดินไม่หยุดนะถึงแน่เดินไม่หยุดนี่เป็นเรื่องความเพียรนนะแต่ว่าการสนใจพื้นนินใต้ฝ่าเท้าลืมยอดเขาหรือจุดหมายปลายทางไว้ก่อนนี่เป็นเรื่องทำจิตนะวางจิตวางใจให้อยู่กับปัจจุบัน ใส่ใจกับพื้นทีนใต้ฝาท้าแล้วก็ก้าไปทีละก้าวเมื่อทำจิตอย่างนี้แล้วเติมไปด้วยการทำกิจก็คือเดินไม่หยุดเติมด้วยความเพียรมันก็จะไปถึงแต่ละก้าวแต่ละก้าวแม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายนะแต่ว่าใจไม่เครียดใจผ่อนคลายกายจะเหนื่อยนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์นะ จิตใจที่ผ่อนคลายมก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่เติมให้เรามีเรื่องมีแรงนะเดินไปได้เรื่อยๆหรือมีความเพียรต่อไปได้เรื่อยๆแม้จะประสบอุปรสรรคแม้จะยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะแต่ก็ไม่ทุกเนี่ยยังมีเรี่ยวมีแรงทั้งแรงกายและแรงใจที่จะไปต่อ ซึ่งบางครั้งมันทำให้เราสามารถทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อได้ <c oughs> มีคุณป้าชาวเกาหลีคนหนึ่งนะแกอายุเกือบเจ็ดสิบอาชีพแกเป็นอาชีพขายผักแต่ก่อนแกก็คงมีคนช่วยขับรถไปส่งผักตามที่ต่างๆแต่ตอนหลังเนี่ยแกต้องขับรถเองแต่แกไม่มีใบขับขี่แกก็ต้องไปสอบใบขับขี่สอบข้อเขียน ่สอบสอบปฏิบัติเนี่ยแกผ่านแต่สอบข้อเขียนแกมีปัญหามีข้อสอบอยู่ห้าสิบข้อแกไม่เคยสอบได้ถึงสาสิบข้อเลยถ้าได้สาสิบข้อเป็นอย่างน้อยก็สอบได้แกก็สอบแล้วสอบอีกตอนที่จะมาได้ยินเรื่องของของคุณเป้าเนี่ยเดือนกุมภาปีห้าสองแกสอบไปแล้วเจ5ด้อยเจ็ดสิบห้าครั้ง ถ้า แ, แกก็ไม่อยู่สอบนะแกไปสอบได้วันเว้นวันเลยนะมาได้ข่ายทีก่อนเดินธรรมยาตรามุสพฤสติห้าสองว่าแกสอบได้แล้วหลังจากที่สอบไปเก้าร้อยห้าสิบสองครั้งนี่เป็นแค่แม่บ้านธรรมดานะแต่ความเพียรแกนี่เหลือเชื่อเลยถ้าเป็นคนไทยนะสอบสามครั้งไม่ได้ก็เลิกแล้วนะบางทีไม่คิดจะสอบด้วยซ้ำ เพราะว่าเราซื้อได้ถ้าไม่ซื้อก็ใช้เส้นนะเอานาบัตรนะของอธิบดีกรมการขนส่งหรือปหลัดกระทรวงเอามาให้นะเจ้าาที่แตเจ้าที่ก็ออกแบบขับขี่ให้แต่เกาหลีทำงานไม่ได้ใช้เงินก็ไม่ได้จะซื้อก็ไม่ได้จะใช้เส้นก็ไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นต้องใช้ความสามารถของตัวเอง เพราะนั้นคนอย่างคุณป้าเกาหลีนี่มันคงมีคนป้าคนนี้คงมีได้แต่เฉพาะในเกาหลีในเมืองไทยเนี่ยคืนทําอย่างนั้นเขาก็หาว่าโง่มองในแง่หนึ่งนะแก่ก็มีความเพียรอย่างมากนะแต่ในอะลรเดียวกันแกก็ต้องมีการปล่อยวางระดับหนึ่งมองเขสงสัยถ้าปล่อยวางเนี่ยจะขยันสอบได้ไงต้องเก้ารอยหสิบสองครั้งก็เพราะปล่อยวางเฉยนะถึงสอบได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าแกมุ่งมั่นนะ จะเอาให้ได้จะให้ได้นี่นะแกสอบสามครั้งไม่ได้สิบครั้งไม่ได้แกก็เลิกแล้วคือท้อเพราะว่าความยิ่งเรามุ่งมั่นอยากจะได้มากเท่าไหร่เนี่ยถ้าไม่สมหวังมันก็จะท้อแท้ได้ง่ายยิ่งหวังมากก็ยิ่งผิดหวังได้ง่ายแต่กรณีคุณป้านี่ก็ดูเหมือนว่าแกแม้จะสอบไม่ได้สอบไม่ได้ทั้งท้งที่เพียรมาแล้วเก้าร้อยครั้งแกก็ยังไม่ ไม่ดูเหมือนมีอาการผิดหวังคือไม่มีอาการท้อแกยังสอบนั่นแหละฉันจึงบอกว่าเนี่ยคุณป้าคนนี้แกต้องมีการปล่อยวางในระดับหนึ่งคือไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่อสอบไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่ไอ้คาว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะก็คือการปล่อยวางนั่นแหละไม่เป็นไรนสอบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ไม่เลิกยังทํากิจคือยังมีความเพียรต่อไป ให้ที่แกมีความเพียรขนาดนี้ได้เพราะแกรู้จักทาจิตนะคือการปล่อยวางนะอาง่าแป ล, แปลว่าจะล้มเลิกง่ายง่ายหรือไม่ใช่แปลว่าจะไม่ทำอะไรเลยมันกลับเป็นตัวส่งเสริมให้ความเพียรเนี่ยนะมันมีได้อย่างต่อเนื่องไม่ถูกบั่นทอนด้วยความล้มเหลวรู ป, ปรสักค์นะกำลังใจก็เหมือนกับว่าเติมมาได้เรื่อยๆ เวลาเราทำอะไรเนี่ยนะไอ้ที่การลการมีความเพียรเป็นของดีนะแต่ว่าอย่าไปอย่าไปมุ่งมั่นนะยึดมั่นยึดติดถือมั่นว่าจะต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้นะเดยเพราะในระหว่างที่ทำนะต้องวางนะจุดปลายปลายทางไว้ก่อนรวมทั้งวางผลผลออกมายัางไงก็ต้องวางคือผลมันไม่สำเร็จก็ต้องวาง แล้วเริ่มต้นใหม่ทั้ส่วนใหญ่เนี่ยเราทำเนี่ยถ้าทำคนที่ไม่เพียรนี่ก็มีเยอะนะแต่คนที่เพียรเนี่ยนะเขาก็ทำกิดอย่างเดียวแต่เขาลืมทาจิตแล้วเขาทำด้วยความมุ่งมั่นจุดหมายมุ่งยึดมั่นในจุดหมายปลายทางในในผลสำเร็จต้องให้ได้ต้องให้ได้พอผลสำเร็จไม่เป็นไปอย่างที่หวังก็เสียใจก็ท้ออันนี้เพราะความยึดมั่นถือมั่น เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าเนี่ยให้ความเพียรเนี่ยมันต้องคู่กับการปล่อยวางด้วยอย่างน้อยๆก็ปล่อยวางจุดหมายปลายทางรวมทั้งผลที่เกิดขึ้นด้วยพวกเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของพระมหาชนกนะพระมหาช น, ก, นะาชนกนี่เป็นพระโพธิสัตว์ก็คือเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเราก็มีเรื่องเล่า ว, ว่า มีฉากหนึ่งที่สำคัญนะก็คือตอนที่เรือแตกนะกลางสมุทรแล้วก็ทุกคนก็ลอยคออยู่กลางทะเลบางคนก็จมน้ำแต่พระมาชนกเนี่ยควา้าไมา้ไม้กระดานเอาไว้ได้แล้วก็พยุงตัวแล้วท่านก็ พยายามที่จะไหว้เข้าฝั่งวันแรกก็ยังไม่เห็นยังไม่ถึงฝั่งไม่เห็นฝั่งด้วยซ้ําวันที่สองก็ยังไหว้ต่อไปวันที่สามก็ยังไหว้ไม่หยุดทั้งๆ ท, งที่ไม่เห็นฝั่งบอกว่าพระบาทชนนีไหว้ถึงเจ็ดวันไม่รู้เจ็ดคืนด้วยหรือเปล่าจนกระทั่งพระอินหลวงเท้าสักกะเนี่ยร้อนอาดนะกร้อนอาดก็คือว่าบัลลังมันร้อน ก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอรู้ว่าพระมาชนกเนี่ยซึ่งเป็นคนดีนะกําลังเดือดร้อนก็เลยสั่งให้นางมณีแม่ขลาสั่งให้นางมณีแม่ขลาเนี่ยไปช่วยเป็นหน้าที่ของนางนางคงจะลัดเลยไปนางมณีแม่ขลาก็เหาะมาเลยนะเห็นพระมาชนกอยู่กลางทะเล แต่แทนที่จะลงไปช่วยทันทีก็สงสัยถามว่าเนี่ยท่านว่ามาเจ็ดวันเจ็ดคืนท่า น, นที่หมอไม่เห็นฟังเนี่ยท่านว่าไปทําไมพระมาชนก็ตอบว่าก็เพราะข้าพเจ้าเห็นประโยชน์ของความเพียร น, นางมณีแม่ขลาก็ถามว่าก็ตอบ ว, ว่าก็ถามว่าเพียรไปทําไมเพียรไปก็ตายเปล่าเพราะฟังมันอยู่ไกลามากพระมาชนก็ตอบว่า เมื่อเพียรแล้วนะแล้วต้องตายเนี่ยนะก็ถือว่าไม่เป็นหนี้เทวดาไม่เป็นหนี้มนุษย์ไม่เป็นหนี้ใครทั้งสิน้นเพราะได้ทำเต็มที่แล้วนะแต่ท่านก็บอยว่าเนี่ยคนเราเมื่อเห็นประโยชน์ของสิ่งใดแล้วทำสิ่งนั้นมันย่อมไม่สูญเปล่านะมันย่อมเกิดประโยชน์คือพม่าชนกเนี่ยนะไม่ว่าจะเห็นฝั่งหรือไม่ ทั้งๆ ท, ที่ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จแต่ก็ยังเพียนไม่เลิกอันนี้ก็ต้องถือว่าปล่อยวางนะในระดับหนึ่งนะก็คือว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จฉันก็ยังไหวนะวันนี้ไม่สำเร็จไม่เป็นไรฉันก็ยังไหวต่อฉันก็ยังเพียนต่อไปแน่นอนนะเพียนไปความเพียนก็เพื่อให้สำเร็จนะ เมื่อคุณป้าเนี่ยไปสอบใบขับขี่ก็เพราะต้องการได้ใบขับขี่มันก็มีความมุ่งหมายอยู่แต่ก็ไม่ได้ยึดมั่นกับมันมากพอถ้ายึดมานกับมันมากสอบสิบครั้งไม่ได้ก็เลิกแล้วแต่เพราะไม่ไยึดไม่ได้ยึดมั่นกับมันนะมากเนี่ยมันจึงมีควาว่าไม่เป็นไรเมื่อสอบไม่ได้พระมหาชนกก็เช่นเดียวกันวันนี้ไหว้ไม่เห็นฟัง ก็ยังไหว้ต่อแน่นอนนะไหว่เพื่อให้ถึงฟังแต่ถ้ายังไม่ถึงก็ไม่ท้อนะอันนี้ถึงเรียกว่าปล่อยวางในระดับหนึ่งแล้นะพวพอเราเดินธรรมญาตานี้ก็ลองฝึกนะฝึกการทำความเพียรพึ่งลาแข่งนะพึ่งความเพียรของตัวเองแม้ว่ามันจะมีทางอื่นที่ง่ายกว่าโดยไม่ต้องเหนื่อย แต่เราก็หักคำใจเพราะว่าเราอยากจะฝึกนะฝึกทําความเพียรนะใจสู้ไม่ท้อแท้นะไม่ใช่เอาแต่บ่นว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเนะีนะ่ใจสู้นี่สําคัญใจสู้นี่มันทําให้เรามีความเพียรแต่ก็ต้องรู้จักทําใจอีกอย่างด้วยนะก็คือการปล่อยวางอย่างที่ว่า หรือว่าเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันนะบอกหรือเตือนตัวเองเอไว้ว่าจุดหมายอยู่ไกลก็จริงนะแต่ใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเท้าที่กาลังเดินเวลาเท้าเคลื่อนไหวนะใจก็รับรู้เพราะใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าไม่ได้พุ่งไปยังจุดพักกินน้ําไม่ได้พุ่งไปยังหรือจดจ่ออย่างจุดหมายที่จะพักแรม ใจอยู่กับปัจจุบันรู้กายที่เคลื่อนไหวแล้วถ้ามันเผลอคิดนึกกายไปก็รู้นะอันนี้เรารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกใจมันคิดอะไรอยู่ใจมันวิตกใจมันกังวลอะไรก็รู้นะอันนี้ก็จะเป็นผลของการที่ใจอยู่กับปัจจุบันคือรู้กายรู้ใจนะที่มันเป็นปัจจุบันหรือจะเอาจิตมากำหนดนะที่ลมหายใจที่เท้า เพืเกิดเป็นสมาธิจิตแน่วแน่จดจอ่อไม่บล็อกแวบ ก, การทํานี้ก็ทําให้ลืมปวดลืมเมื่อยได้เหมือนกันนะคนเราเนี่ยแม้กายจะปวดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจดจ่อบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ลืมปวดได้เพราะเราเคยเป็นเรื่นะตอนวัยรุ่นเนี่ยนะนั่งหลังขดหลังแข็งทั้งคืนเลยแต่ไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเมื่อยเลย พออะไรนะเพราตอนตั้งใจกําลังจดจ่ออยู่กับไพ่ที่ถือในมือต <c oughs> ีดัมมี่นะพอเล่นไพ่เลิกเล่นไพ่เสร็จโอ้ยปวดเลยนะแต่ตอนที่เล่นอยู่นะมันลืมปวดเพราะใจนะมันไปอยู่กับไพ่นะมันก็เลยไม่รู้สึกไม่รู้สึกปวดถามว่ากายปวดไหมกายปวดขาเมื่อยไหมขาเมื่อยแต่ใจไม่รับรู้อันนี้เรียกว่าลืมปวด จะเรียกว่าจิตมันปล่อยวางก็ได้นะจิตมันวางความปวดนะจิตมันวางความปวดของกายเนี่ยเนี่ยก็คือตัวอย่างหนึ่งนะเวลาธรรมาพูดว่าให้วางความปวดวางความปวดเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ที่จริงเราทําอยู่บ่อยๆเราทําโดยไม่รู้ตัวบางทีเราโดนยุงกัดนะแต่เราไม่รู้สึกว่ารู้ยุยย่งกัดเลยเพราะจิตเนี่ยมาไม่ได้ไปจดจอ่ออยู่ตรงที่ถูกยุงกัดตอนนั้นกําลังเล่นไลน์กำลังเล่น facebook นะหรือกาลังคุยกับเพื่อนออกรสออกชาติถามว่ากายเจ็บกายคันไหมกายเจ็บกายคันแต่ใจไม่รู้สึกเพราะว่ามันไปจดจ่อสิ่งอื่นอันนี้เราว่าเป็นเพราะสมาธิเป็นเพราะสมาธิทาให้ลืมปวดทําให้ใจวางความปวดลงแต่นอกจากสมาธิช่วยให้ลืมปวดแล้วนะอ่ะ คำบริกรรมก็ช่วยได้ช่วยทำให้ใจเนี่ยนะไม่ท้อไม่ถอยมันมีคาถาหนึ่งนะที่อยากจะแนะนำอันนี้ก็ใช้ธรรมญาตราอยู่บ่อยๆปีแล้วปีเล่าเนี่ยในเวลาเดินเนี่ยนะซ้ายทนได้ขวาสบายมากนะดึงในใจเนี่ยซ้ายทนได้ขวาสบายมาก หรือว่าถ้าใครถนัดขวานะก็ขวาทนได้นะ้ายสบายมากจึงในใจนนะไม่ต้องพูดออกมาเพราะว่าเวลาเดินไปนานๆเนี่ยใจมันจะท้อใจมันจะบน่นไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยเลือเกินเนี่ยนะเราก็เอาคำบริกรรมเอาคาถานเนี่ยมาช่วยปลุกใจให้มันอยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ พลิกใจนะที่มันเป็นลบให้กลายเป็นบวกซ้ายทนได้ขวาสบายมากพยายามหาวิธีการต่างๆนะที่จะช่วยทำให้ใจเราเนี่ยนะอยู่อาการเดินทำให้ใจเราเนี่ยไม่ท้อแท้ท้อถอยจะใช้สมาธิอย่างที่ว่าจะใช้สตินะรู้ทัน ใจเวลามันบน่นโวยวายตีปวยตีพายรู้ใจเวลามันไปยึดความเจ็บความปวดของกายไอการยึดหรือการบ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อจิตเราเผลอเมื่อไม่มีสติแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยมันก็จะวางมันก็จะหยุดบน่นนะแต่ต้องเป็นสติที่ไวนะแล้วก็แข็งแรงเพราะว่าเรารู้พอส่วนใหญ่รู้ปับ๊บเดี๋ยวก็เผลอแล้ว รูปปับกระเผอปุ๊บรูปปับเผอปุ๊บนะให้สติมันทำงานต่อเนื่องีถ้าเราทำฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสติเราจะไวเราจะวางนะความทุกข์ความปวดได้ได้ไ้าีนะเคยพาคนเดินเท้าเปล่านะเดินจงกรมตอนเช้าในทางที่เดินเนี่ยมันเป็นทาง ในหมู่บ้านจัดสรรก็จริงนะลาดยางแต่ว่ามันเป็นยางที่ทิกร่อนละนะลองนึกภาพยามาโอยที่มันกร่อนนะนะมันจะมีกรวดมันจะมีหินโผล่ขึ้นมาเยอะแยะเลยคนเดินก็ใหม่ๆก็ปวดมากเลยวันแรกนี้ก็บน่นบางคนนี่ถึงกับเหงื่อออกเลยนะเหงื่อตกเลยนะ เวลาเห็นทางข้างหน้าเนี่ยยังไม่ทันเหยียบเลยนะเงือตกแล้วมันกลัวตาตาก็แน่นะหลังจากเดินว่าเนี่ยให้นะให้ลองสังเกตนะความกลัวที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องผลักใสแค่รู้เฉยเฉยแล้วเวลาเหยียบเนี่ยนะมันเจ็บก็หเห็นใจที่มันเป็นทุกข์ใจที่มันงุดหงิดใจที่มันเกิดโทสะ เพราะตัวนี้แหละที่มันทำให้ปวดมากขึ้นและมันทำให้กลัวหนักขึ้นและความกลัวและโทสะเนี่ยมันเป็นตัวที่เพิ่มความปวดปวดเท้าไม่เท่าไหร่แต่ปวดใจนี่มันคูณสองคูณสามเลยเพราะวันสุดท้ายคือวันที่สามเนี่ยหลายคนก็บอกว่าปวดน้อยลงเดินเหยียบนกะรวดได้ได้ได้ง่ายขึ้นก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งอายุเจ็สิบแล้วนะ ก็ปวดทั้งทั้งวันแรกวันที่สองนะแต่วันที่สามเนี่ยก็ลองทําตามที่อาจารย์ธรแนะนำแกบอกนีตอนที่เท้ามันเหยียบโกรวดเนี่นะมันมีความกลัวนะแต่ว่าก็รู้พอรู้มันก็วางพอเหยียบปุ๊บเนี่ยมันปวดในขนาดนั้นเองจิตมันก็ไปเห็นนะความรู้สึกไม่พอใจที่เกิดขึ้นเองความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นแล้วทันใดนั้นเนี่ย ใจมันก็โล่งเลยใจมันก็โล่งเลยอาเท้ายังปวดอยู่นะแต่ใจมันโล่งแล้วใจก็มาเล่าด้วยความรู้สึกประหลาดใจแล้วก็ผูนใจว่าโอ้ออันนี้มันเราทําได้นะอันนี้ก็เป็นอันที่สองของสตินะที่มันทําให้อแม้กายทุกขนะ์นแต่ใจไม่ทุกข์เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเป็นเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้การทํากิจของเรา นะการเดินธรรมยตาของเราเนี่ยมันเดินด้วยใจที่ปกติใจที่ไม่ทุกข์นะเรามาทำจิตเพื่อส่วนรวมนะอันนี้ดีแล้วนะแต่ว่าก็ต้องทาจิตรักษาใจนะให้มันเป็นปกติตัวถึงจุดหมายใจก็ต้องถึงธรรมด้วยตัวถึงจุดหมายแต่ว่าใจนี่บอบช้ำนะอันนี้ก็คงไม่ดีนะ แต่แม้ว่าเท้าจะช้ำยังไงในแต่ใจเราก็ยังเป็นปกติได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าก็อยากให้เราได้ประสบกับภาวะเช่นนี้บ้างเอาล่ะก็พูดกันเท่านี้เช้านี้กลับมาพร้อมกัน